ประเทศพระพุยังพ่อหรืว่าจังโถหคือว่าแมาตอนนั้นก็มาเดชตอนนี้คิดแล้วจะผ่าไม่มีต้นไฟอที่หน้าผารูปต้นกุ้มัมีปัญหาโล่งโล่งโล่งตัดทิ้งไปตอนที่ปควยตัดรักษาไม่หายมาหลายเด็กเดยนึกถึงพ่อได้ว่าุข้อจะเป็นเพื่อนงานสุดท้าย จะเรียนถามาต่อไปนี้ 1. นควรจะตั้งศาลหรือไม่สอจะถวายพระกายหรือให้ใต้ดีหรือไม่สามชอบผมไม่ขาอเเก่งมาแเก่มากเอ้ยก็เอางี้แล้วกันนี่กลูกต้นสชยกามเดิมตั้งศาลดีกว่าลูกกระเทเวลาเขาไป่มีที่อยู่ยุ่ง เชิญให้เขามาอยู่แทนือบางก็แปะได้เรื่องถ้าตามนี้เขียนตัโตโตหน้าฝากซึ้งจะไม่รู้อ่านเลวจะตอบเลยหรือเปล่าอ่านเลยอ่านตามนะน้อคนเลือดตาเ้าหลวงพ่อทักยอบไม่ไม่หมดแปคนมีกรรมอะไรข้อไดไม่ใช่อันเด็เดี๋ยวว่าไงนะโอเค ครับแล้วลงก็มัรอไปกแค่คนส่วนพันนแปดคเรื่องรถจะเป็นยางไงนะไปไหมคกัวแ่งแปดคนี่ก็ไม่รู้เป็นกรรมอะไรจำตัวอย่างามรอาาขอก็มีรหลช่วยด้วยต่อไปยังมีเหตุการณ์อะเกิดขึ้นเลยต่อไปจะใช้ไฟนะ โอ้ไม่ใช่ไฟไฟไม่ไหม้เหรอเป็นไฟไม่ได้ไม่ได้แค่ตางแค่นีต้นเหตุนะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรเปล่าใส่ไร่ข้าวไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเลยเผาไก่โอ้ี่แหละครับใช่เออเลยเลยลูกเอ้เอาต่อไปแจ้ะแต่นี่ก็จะต้องต้องอไรต้องดูต่อไปครับต้องดูต่อไป สร้างความนีต่อไปสร้างความมีแล้วเเกี่ยวาใช้หรือใช้กรรมอะไรเนี่ยไนีมันผ่านไปแล้วแต่ก็ไปรู้สึกของพ่อไปยังใหม่ๆถ้าเป็นรู้สิทธิไฟใหม่ๆตอนนั้นลืมลืมนะลืมไม่รู้สิทอ๋อพรากลมัมาเราเสียก่อนใช่ใช่ใหนีไม่ได้อ่าสามาวดีแม่ใายเขาตายตั้งห้ารอยคนกว่าเห็นไหมขนาะขน ใช่ใช่ใช่ใช่ไปเลยไปเลยอ่าวยรวนะจ้าขับไปเลยพ่อเจ้าขาเอ่อเพื่อนก็เข้าพ่อปวดมลจินดปรมชรกับพระไตรปิฎกปวดแล้วก็ตาปวดก็เป็นอย่างนี้ข้างในอมันเส้นแทบจะระเบิดออกมาแรงมากหูหิวตัวเ่าไม่รู้เป็นเพราะเหตุใจ เพิ่งเรียนถามหลวพ่อวันหนึ่งควรจะสวดใหมันเต้นต่อไปไหมหรือว่าสองควรจะสวดและแตกแก้ไส่เพิ่มเติ้ววิธีลาเจัคขาเหมือนเต้นยังไงคุ้มตุ้มนั้นสวดต่อไปเลยไปกงเพลงอ๋อที่ถ้าไปเกิดสวดต่อหมายมองตุ้มตุ้มลาก้วโปยนใชใช่ใชใช่่จเอาสาเตนต่อเอนี้ที่หายใจยาวๆกันก่อนอารมณ์บัญยา ลมที่แรกมันหยากลาสวดไปดไปลมละเอียดลมหยากละเอียดก็ตีกัน<อ>ไม่มีอะไรล็อของดีอันนี้เกียเ่ยวกับลมนั่นเองใช่ใช่รรพระเจ้าวรวงศ์ภักดิ์พระราชาการสาพระพระเดชพระคุณลวงพ่อสิงหลบกังหวงเมื่อหลายเดือนก่อนลูกเคยมีสามีกลับเรียนถามหลวงพ่อไว้ว่า มันชอบดื่มเล้วแค่ไม่หายหลวงพ่อก็เลยแนะนำให้บ่นแต่พระก็ได้ผลสองสามฟันมันก็ดื่มต่ออ้นี้ไม่ผ่านแต่ที่น่าอาศจรรย์ก็คือว่าพอสองสามฟันนี้เขาพูดไปอย่างนี้เออตัดเลนใจหลวงพ่อไปแล้วสามาใส่ใจลางกายก็ไม่ดีจะมาสองอีกเอาล่ะสองอีกไปบูเลอรดื่มเหล้าเต็มชา โู้อโหวมาเลยถวายใส่เงิน้ามมันพ่อผ่านบากไอ้สาวของพ่อจะโกรธทุกดสาวจะท้าถ้าใส่แล้วเลยไอ้ใส่ไยาเนี่ยอใส่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าใส่ต้องใส่ใหม่าใส่รับรับาใช่นี่เขาเพิ่มเพิ่มขาเยถ้าไม่ขาไม่จำเป็นเอาใหม่ต้องเอาใหม่ อขาบอกดีดีดีดีนะดีมากดีมากเขาเลยเลิกเลิกเป็นเรได้ดีนะเป็ใจป็นเหตมาให้ได้เป็นผลไม่ใช่อะไรก็แด้วกูสนเขาเริมีแล้วสามมีอ่กนเพื่มเขาสนหลงเจตอนนี <UK> like ้เด่นด่าอุสนไม่สนหลงอยู่เวลานี้อุสนขายตัวเมื่อกูสนสนหลงเข้ามาก็เลิกได้เป็บุญของเขาครับบุญพรโมทนาเลยก นักบวชการจ่ายพระหวงพ่อจะลดจากสูงอามาวัดก่อนที่ทำสังฆทานให้ขอบเสียวแทบเอื่อนแต่หลวงพอบอกว่าเออข้าวบีเสริชุดมันก็จะเสมากวันนี้เลยข้าวีเสริชุดอ่อเย็บผปาขอไว้จะได้ลดีติสี่สี่เนะอาขอขอให้คุณเตี๋ยวมุนาด้วยคือนี้เป็นปัญหา เรอป่วยนี่สิคะไปทราว่าเป็นเพราะเหตุใรคุณแม่แกป่วยเป็น โ, นโรคสัปภารานแล้วไปรักษาทีไหนก็ไม่หายก็เป็นโรคชาลาคนแก่แต่เี่ไม่ถามที่จะถามก็คือว่าอยากจะนนให้ลูกพ่อแนะนำวิธีตามวิากกรรมให้แกหายเร็วๆถ้าหากว่าจะจากไปก็ขอให้ไปโดยสะดวกหน่อยไม่ได้แช่งแม่นะไม่ได้แช่งขอให้ไฟสะดวกสดวกหน่อยแต่ที่จันก็ม่จับไม่ได้นะ พขาว่าเจ้าเองยังตัดไม่ได้แต่พระสงฆ์ถือไปาส่ยก็ดีเลาพระเจ้าอยู่เทวทัตจำไม่ตายแ้วคงจำตัดไม่ได้แค่ยื้ตายเฉยแต่ชาวยังอย่ได้แล้วการทัดใจสบายนะใช่ใช่ใช่ยังมีทุกขเวทนาแบบไหนก็มารักษาไว้ตามความสามารถของหมอใช่แล้วช่วยกันไปดีทีก็หายใช่ใช่ใช่ เราพ่อจะขาซื้อรูปบัตรได้ได้เก็บเงินใส่ฝากพิรุษโยวาลาากสบาทเดินเลื่อนลูกมีโอกาสถวายหลวงพอสามสิบมาเดินที่แล้วมีฟตาสนว่าพวกเพวกเงินที่ผ่านมาถวายลหลวงพอสามสิบได้หลพันเดินที่ตารูกชมเห็นคนถวายภังฆทานร้อยบาทได่รอเก็บกองใก รวมไปร้อยเจ็ดรวมไปอีก็ดสิบเป็นหนึร้อยเลย็อกก็ใจกับไฟม่สบายใจไม่เช่โลกหรือเปล่าที่ตอนหลวงพ่อคุณไม่หลงจำครับใครไปหลงกันแน่ตัวตัามท่หลงเป็นไม่ใครกันแน่อย่างนี้เรืองเพิ่มบุญไม่ใช่โลกเพิ่มบุญใช่ใช่ใช่ได้ได้เป็นสวรรค์ได้สอนให้มันโตขึ้น พิมานสวยขึ้นมีทรัพย์สินมากขึ้นชาติหน้าเป็นมหาเศรษฐีเท่าใหญ่ขึ้นโอบคุณอย่งนได้ใหญ่ตามตัวําดับได้ได้ได้ได้ได้ได้ไา้ได้ได้ีด้ไ้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้่ด้ได้ได้ได้ได้าดไปแล้วด้ได้ได้ได้ได้ัด้ได้งด้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ ส่วนมากก็กกมักักคนพักคส่วไม่เอะอะเร่ะอะไรจะทำบุญทอดสิ่สงทอดเปลาทีนี้ตอนก่อนไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยไปอย่างว่านะครับว่าอาณาจักบ่านโน่่นานตอนนี้ต้องเลกปิดแล้วแต่ไมรู้มดไปเท่าไหร่ก็เลยมาขอพลรหลงพ่อว่าลูกควรจะแก้ไขอย่งางไรเพื่อให้โทษหรือการกระทำที่ผิดไปแล้วเปล่าปากหายได้บ้างไหอายัญชนะดีสงฆ์เข้าอย่างนอง ไม่ต้องมากนะครับใช่เทียนน้อยๆไม่ต้องให้แดดร้อนนะน้อยขนาดของอเเท่าไหร่ตั้งสิบาทยี่สิบบาทตั้งที่บายเขาได้บาทธรรมดาไม่ใช่บาทไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาค่อยทำไปนะเพราะเรารู้ไม่รู้เรื่องใจจะได้เบาถือว่านี่ส่วนนี้เราชำระแล้วจิตเป็นสุขตายไปสวรรค์ได้าไไปด้ ไปข้องใจกันจิตเป็นรูของใจอามันลงเลยครับใอมเลยนะหาใจหนักหนักหอมเลยนตาเท้าลงก็จะรดจาสูงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะจิตว่างจังท่าที่การงานหัวใจมันก็จะต้องภาวนาคาถาเป็นล้านทุตีขึ้รลดลงเรือไปเหนือมาใต้ก็ชอบป่าตรงจะท่าเรือไม่หยุดและมาให้ยอมจะตกก็จะตามไป ที่จะเรียนถามก็คือว่าถ้า้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพราะเรรมัชอบปาสทัญหานี่จะเกิดขึ้นไหมก็จะรูยเงน้าเป็นอ้เป็นชันแล้วนะ่าน้วใช่ใช่อันนี้รวยมีหวังรวยแน่เอาน่าเราจะฝันอะไร การบอกวาเริ่มเกิดขึ้นต่ภาวนาเลยนะไิดสสารกินสาาวอีกรอบอย่างสูงตอนผมเป็นสิ์ใหม่จะมาเป็นลูกิตย์งพ่อไม่านนักเรื่องกิจการเรียนสารก็คือไว้อย่างนี้ตอนที่ผมกลับบ้านเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมะาภาวนาแบบุโตุโตเขาสบายอ่านี้อะไรเกิดขึ้นพมาเริ่มภาวนา แบบต่ฝึกมันลงมนีไปรู้เป็นยังไงขอรับมันุบเอาดีไม่ได้ผมไปอย่างนี้มาาเดือนแล้วผแก้หตัวเองไม่ได้ผมคิดว่าจะต้องมีการปกครองางใดอย่างห น, นึง่งขพระรามีหลวอช่วยี้ทางาให้สัตว์น้ำเดินก่อเรื่อยไปอ่าเรื่อยไปใช่ใช่ก็สูเรืยไปเพว่ามันจะหาย เขาทำกันก่อนยากกว่านี้มากเขาจะทำกันได้นี่เรื่องเล็เลเลกๆครับใช่ใช่ไ<อ>ม่มีใครก็สอน แ, แล้วเองครับบางทีก็โดยช่มร่มร่มร่มร่มรมก็จะเอาดีจะไดใ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เวลานี้มีคนก็สอนแล้วปเดียเด๋ยวก็ดีครับก็มั่ น, นใจได้เพราะว่าสอนมาอีตบอกว่า งานากแต่พออ่านเลยอ่าการพระเอาคนของพ่อที่กระโดดอย่างสูงเรื่อง ก, การสร้างศาลที่ไม่อยากถามเพราะว่ามีปรากฏในอ่านเล่นอ่านหือตอบปัญหาเลขที่ห้าแล้วแต่ที่ไม่สบายใจก็คือว่าเมื่อทําไปแล้วมีปัญหาไม่ทราบว่าก า, การทําของลูกจะผิดหรือเปเล่าก็ามีการสร้างโต๊ะโภคสาวมีเครื่องรวมสมเพาะส่วน แต่คำพูดนี้อาจจะไม่ตัดเจนตามความเป็นจริงเพือยากจะ้หลักข้อหมอแนะนำวิธีที่จะพูดได้ถูกต้องทําให้เจ้าที่เจ้าทามเมตตาบาลีแมวเอากลุ่นสะโพว่าจะพูดว่ายังไงเจ้าค่านแต่เอกษารยุทรงมาแล้วกันนะฉันไม่มีเวลาตอบตุสตาผมเหรอเอาเอาอย่างนี้ดไวยแหละไปเจอพี่นานีแล้วสิบบาทสิบบาสิบบาท ตามใจชอบต้มาเรื่องโบราณไปห้ความจริงนะตอบปัญหาได้ผ่านแบบจริงนะเขาบอกเรียนต่อนะท่านที่จะถามมาต้อสงสัยก็ไปอ่านเยนตอนได้สักทีรบข้อละคนในโรคศาสตร์อ๋อกับผมเป็นเป็นคนที่เราผมรักษาค่อยดีไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏว่าทดูาาพอทุกคน พอภาวนาแล้วมาวรนนี้พบระบบกสายค่อยดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งหมอตกใจถามว่าไปรักษาโรงพยาบาลไหนผมบอกไปรักษาโรงพยาบาลพ่อสาลมน้ำตาลละไายเป็นแพทย์ผมก็ตอบว่าหลวงพ่อว่าขาพูดไม่ใชแพทย์ผมพูดไปยังีงไม่ทราบว่าจะเป็นการล่วงเกินหลวงพ่อหรือเปล่าขอโหติกตามด้วยเถิดไม่เลยการล่วเกินถูกต้องถ้าถูดแล้ว ทำไมเราต้องปัญหาที่แก้โลกประสาทหายอย่าลืมน้ำมันประสาทที่เห็นโลกถ้ามันรายยังหายเลยถ้ามันพายเป็นโลกจะไร้แลงที่สุดไหมครับเคยไหลทั้งตัวตอนนั้นฉันขุมเองนะครับมันหน้าหนาวคนนี้เขาไม่มีเหงือ่อสงสัยยายคนนี้ทําไมมีเหงือ่อครับอยู่ใกล้นันเป็นน้านมันเหมือนน้านมันหมูไหลเปลียกเสื้อหมดเพราะวันที่สองไหลน้อยวันที่สามหายเลย ัแช่ใช่ใช่ใช่โอ <Ch> ai, ้คนร้อยใสนหล้าแล้วหลวงพ่อจะรับยังโสงอ่ลูกเดคฟังอานิสงมาถวายสังฆทานของหลวงพ่อที่ไลจอิจใจก็เลิกลอยแโมทนาทุกครั้งแล้วลูกก็ตั้งใจไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าลูกจะต้องถวายสังสทานลดละหนึ่งหม่บาทให้ได้ ตอ้มาถามซอยกระมแล้วราคาหมื่นบาทไม่มีแล้วทำยังไงวามบัตรนาของลูกที่จะสมหังได้ขอให้หลวงพ่อชี้แนะให้ถึงด้วยเอาหลายๆรอบซีรอบเป็นสองพมาถึงารอบเปนหมื่นบาทแล้วอ๋อมีความคาดวันยาวได้ยนะไดได้ไดใจถึงนะแต่ยังไงก็สุนทรยากเ่าไหรมันจะรอุันเท่าไหร่ยห เจาเจ้านี่บอกว่าก า, ารสร้างหลวงพอ่อือรบจังสงคือวันเกิดหลวงพ่อปีนี้ก็ผมจะเอาปลามา150ตัวมาทาวิปปค้อัศจรรแล้วจะเป็นต่อยแทนหลวงพ่อเพื่อเป็นการอะไรต่อยุคหลวงพอ่อไป อ, งงอีก150ปีจากจาาปัญญา150ผมทำอีก150รวมกัน300ปีขอหลวงพ่งพออย่าปฏิเสธนะครับรฉันไม่ปฏิเสธมันยังไม่พอใจฉัน เสียได้ห้า oh, พ um ันปีน้อยไปอย่างนี้น้อยไปนะเอาละที well ่ลสามร้อาใช้ได้ขาเท้าเราก็ที่ต้องจับถุงจาบด้ว ว่าอรการทำเงินกับระทคือออกจักมิกรนิโรธสมาบาททัตรคือว่าจะได้อา น, นิสงส์ันตาเห็นในปัจจุบันสันตาในชาตินี้อันนี้ลูกก็คิดว่าขณะนี้เศรังกิจไม่ดีลูกเองก็กํะล่องกระแล่งการเงินการทัพยหลวงพ่อเอง ก, ก็เป็นผู้มีเมตตามหาสุขน อากจะให้หลวงพ่อทำวิธีเข้าดีโลดสักสองสามสัปดาหถ้าหากว่าหลวงพ่อออกมาลูกรวยลูกต่างใจจะถวายหลวงพ่อห้าสิบบาทถวายาิคไอ้ยังนี้ต้องเข้าดีโลดสำไมบ้าฉันเข้าบ้านกดีโลดสมัตาบ้าง เดี๋ยวก่อนอันนี้โรทัศสมาบัติเจเขาต้องเข้าถ้าเข้าเต็มที่เนะต้องหาที่สงัดอเข้าีไ่ได้นะได้แต่มันเดียวเดียวด้วความจริงก็ทำอย่างเสมอนะถ้าเวลาก็สวยดีปิโสได้เป็นโลทัศนสมาบัติมขาถอหลับตาหลับธรรมดาเขไม่ใช่ก็หลับธรรมดา เราพิเศษธรรมดาเรหลักค้างโอ้มัน่ปกติะทาเป็นพระโภูแลทำดูแลปกติอยู่แล้วอมันอย่างนี้ก็ถวายได้แล้วไม่ต้องรอข้าวมีโดะาสิบบาทเอามาเลยห้าสิบบาท่ายได้เลยนะจายได้เลยไม่ต้องไปข้าในป่าไปเลยแล้วลำบากนะอาคาทาหลวงพ่อทุารลยส ร, าาารับลมอาศัยและกระทาที่หลวงพ่อได้หมอกไห่หมดหลายปีก่อนตูนตอนนี้ก็มีลักษณะต่างๆไปนี้หนึ่งบางองค์ทองโตใหญ่ขึ้นสบางองค์เปล่งสีเปล่งสีเป็นเงาชัดกับเป็นไฟแสงอ่ อ, อนสาบางองค์เศษหายหนีไปไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นข้อสสเหตุใดคือของใสแต่ว่าค์าที่หนีทะเลนี้ไปไหนจะไปเที่ยวเดี๋ยวกลับ โอ้มีไปได้มาได้ใช่ใช่ใช่ธรรมดาเป็นธรรมับไ่อรนใจนะเดี๋ยวไปฟังจ้าฟัางใจถ้าตนะ่อไปบาปท้ปปปาหลวงพ่อทิเขาต้งดังผู้เด็กที่ไรเฉกษัติยบ้านมันไม่่อยร <ไป S 1> <ป>ู้เหตุแล้วอะไร เอาอะไรนะ่ะอ๋อเอาน้าไปลดหลงท่อรูปหล่อนะเขียนไป ใ, ใ, ใส่โกลโกกลิงนะเอาน้ำไปเ อ, เอาน้ำชาไปราดรูปหล่อรูปหล่อของหลงท่อมันบอกว่าต้องการให้หลงท่อสบายใจอ่าลูกตุลูปตีมันเป็นสองเทียองอก็่มีปลามาหลงท่อไปด้วยกันที่ต่ำที่สู มันบอกว่าน้ําชาดีทานได้อาบได้สบายใจลูกก็บอกว่าเออแต่นี้นะมันต้องสกอาลมณแง่งแหนแล้วลูกก็มาปราบเรียนถามหลวพ่อว่าการกระทาของเด็กไล่เดินสาอย่างนี้มันจะต้องขอขมาโทษแบบไหนอย่างนี้ก็ไม่เดยกไล่เดียงสายนะรู้เดียงสานะไล่ก็รู้เนี่เหมือนมันเหมือนเหมือกันหรอก อ, อะไรไม่ได้เรื่องอแต่ว่าเจอสนามแกดี ท่านอยู่ที่เจตนานะอยากให้รูปจะแช่ผากี่ตำทานมั้งเขาก็เป็นเซราตาตามความประสงค์แกเป็นอย่างงั้นแต่เจตนาเป็นอย่างนั้จริตเป็นบุญนะไม่ใช่บาปพระตามที่แกพูดนะใช่ใช่ใช่ใช่ ยายานึ่งปลาลานเลยสีม่อยกันอาการเราพ่อจีมาต้องจากสูงวันเกิดสมวงพ่อที่จะถึงเือนหน้านี้แต่มอยากจะทำบุญพิเศษสักอย่างหนึ่งให้ทราบว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่หือจะเอารถ่วงเทศบาลมาให้คนไฟรีขออนิจต่อเมนี้ขอให้หลวงพ่ออย่า้องูต่อไปเลยเออดีโมเดินาชาร์ทกที ดีมากดีมากดีมากเออดีดีดีเออดีมากดีมากเขาก็ใจนะอขอให้ขี้มันคล่องนะแล้วเอาอิสระทีจะได้ดิเรื่องส้วมเรืองโอ้ย่างน้ำมากนะถ้าเลื่อกสุขขามันมีความสุขไอ้คนบวต้องขี้ันมีความทุกข์มากมีทุกข์กับที่ใช่คนคนนี้ชาติน้าจะมีความสุขมากใช่ อันนี้ก็อะรครับรู้แบบไหนจะได้ยางงั้นเอาโค้มาายไปถาายก็จเป็นผู้สั่งใช่ใช่าจะเป็นเจ้ของส่วมเก็บสาปใช่ๆช่ใช่ชาวานะก็เาะว่าชาต้ากขไม่มีมันนะอย่ี้นะหลวงพ่โคดจะไปเป็นิมาได้เลยครับช่วไม่เป็นมิ้งมาได้ในสงไม่มมัให้ความสุขกับคนไงล่ะ วาาขกับเจะเป็นเทวดาที่มีความสุขมากใช่เป็นพิธีพิเศ็จอมาสองคันดิอแต่ได้มีความสุขิงิงไปใช่ใช่ใช่ใช่เพื่อเพือว่ามีนางฟ้าประจำสองคนไงโอ้ฟาดายฝ่าดายลบออกไั้ วันเกิดอนงวันเกิดลยมากรจวันเกิดของพ่อวีนี้ของ่อต้องการอะไรที่ถูกใจที่สุดลูกจะนำมาเท่าไหายผมเล็กขอย้ายแปงเดินไปจะขาดอ้ที่สตาดีนเอาละเอาตังคกลังกะไรลกันนะเอาสตังค์กันล้กันเขก็ตังทนี้ไปซื้ออืไรที่รอดแบกอย่างอื่นห้าร้อยบาทกรบเบาติ้ง งหลังเวลา ว, ลาเวลาเัเกินนี่ก็พ่อแพ้เป็นโค้ดเอด้วยขนมเค้กอยก็พ่อเป็นไพรหน่ายใช้ขนมเค้กแพ้สิ่งก็เด่อยู่ที่รายกา ร, <นะ S 2> รมันได้จำกัดบุญจำกัดทระททตัางนี้บนไม่จำกัดเป็นเรื่องได้ทุกอย่างอ๋อที่ว่าไสศาภรรณใช่ใย่ใช่อร่อยๆจะเจ้เพราะว่าต่อไปแตนที้าาก็มาถึงอะไร หลวรพ่อจหาการเจริญมหาสติปัฏฐานสี่นั้นลูกควรจะเจริญข้อไหนต่อหรือจะเจริญแบบไหนอย่างไรที่จะทำให้ได้ผลปรากฏชัดเจนในระยะอันสั้นเจ้าค่ะเอาทั้งหมดเลยเอาหมดเลยแหละครับใช่ระยะสั้นแบ่งไม่ได้ เยอะจังมีอะไรจังอะคำปราณสีาเดี๋ยวก่อนกายาบันาเภทนาสมัตินาจิตตาสมบตนาธรรมาสมาตนามันต้องพร้อมกันไม่ใช่ทาอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ธรมยไปไปแบ่งไม่ได้ลแบ่งได้แต่ผลน้อย แต่เราตามทีเดียวพวกกัไปเลยใช่ใช่มันเป็นร้องนันะกายารุสนาปิจาร้กายใช่ไหมที่ใช่จานกายมันรู้ว่ากายมีเวทนาใช่ไหมใช่ไอเวทนาจะรู้ได้เราจิตรู้จิตรู้นั้นเมื่อเราไปติตในร่างกายก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะบนาต้องช่ได้แหละใช่ใช่ใช่ว่าข้าพุไม่่อยดีา พ่าท่าชมมีปัญหาแต่ว่าชมไม่ยะท่าชมไม่ยากรัฐบาลนั้นไม่มีปัญหาแล้วพ่อครับเกี่ยวกับความฟ้าจำเนตทางอากาศเรื่องอะไรโครงกาหน้าว่าการโครงกาหนาที่จะให้ได้มารู้วัตถุประสงค์เร็วนั้นจะต้องพยายามตีรวดรัดไปเลยคือหนึ่ง ไม่เห็นวาฐห้ า, า ian, ของเราไม่ดีเราไม่อยากได้ต่อไปถ้าแค่นี้เราสามารถจะเป็นพระรหันได้ใยสัปสันลูกก็ไม่แ <ingt> น่ใจทั <falan alguien> ้ง okay, น okay ั้นเป็นรหันง่ายขนาดนี้ถ้าตรงแบบนี้ลูกจะมีสิทธิ์เป็นพระรหันได้หรือเปล่าหรับเถ้าตรงได้ก็เป็นได้ถ้าอัดตรงไม่ได้ล่ะก็เป็นไม่ได้ถ้นนี้ต่อไปว่าถ้าพูดไม่เห็นนะตอบข้าพูดก็ตอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าทรงตอบนะครับ อรหันเปนง่ายนักหรืออรหันน่าเป็นไม่ยากแต่ที่ว่าอรหันไม่ง่ายอไม่ก็ไ่ต่างไปกันเ อ, อนเขียนเหมือนกันเมนื่อไรอ่ะอรหันน่าเป็นไม่ยากแต่ว่าต้องเป็นการลำดับอันดับแรกต้เป็นปะโสดาบันก่อ น, อออนใช่ถ้าเป็นปะโสดาบแล้วจับอวิชาตัดอวิชาเลยตีปลายเลย ก็ทำไปแบบนั yeah. oh, oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Mm ้น hmm. ก็ต้องโพษย่ำพวกมีโพกย่ำน uh, uh, uh, uh, right? ี่พวกอะไรวะอ่าพรรุ่นสามอะพรรุ่นสามนั่นต้องย่ำนะถ้ารุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่ต้องย่ำตีโค้งไปเลยใช่ใช่ทีนี้มาดูยิธีนี้ก็เป็นลูกพิเศษตีใช่ อันนี้เรื่องพิเศษจริงอันนี้ถ้าคนมีปัญญาปณิพนิานไม่ยากเพราะว่าเป็นปัญญาไอที่พูดกับเมื่อกี้นี้มันเป็นสุขภาพสุขภาพจโกนะคนละด้านต่างกันเยอะผลต่างกันเขาเขาเขาแฉนม่ึงตรงที่ว่ามีคนสงสัยไปเยอะว่าเอ๊ะทำไมนนทรนิลนิโรธจะแหอะไรเช่เที่ตที่มันจะได้หายเร็ว เขาปฏิบัติเขาไปตั้งสิบาีด่างต่ำ่แล้วจนหิ่งห้อยด่างอะไรเลยไม่เกี่ยวกับใคราไม่ของเขาเขาไม่เกี่ยวกับบารมีลัเกี่ยวกับเรือเร่ออะไรตองนี่รุ่นใหม่คุณจะไม่รู้ักตองใช่ใช่ใช่ใต้องต้ต้องรนะว่ามันขึ้นอยู่กับบารมีเดิมนะพี่บอกบารมีนั่นถูกต้อง ถ้าบารมีเดอไม่ได้ฝึกฝนมาในด้านนั้นไม่เคยทำมาก่อนมันก็ไม่ได้ถ้าบารมีเดิมม่นเคยได้มาก่อนไอ้ที่ฝึกกันอยู่เนี่ยฉ hmm, ันไม่ได้ฝึกคนใหม่น่ฉันฝึกคนเก่าทีที่ฝึกมันมีสองแบบฝึกคนนี้ไม่เคยได้มาในใช่ก่อนเขาฝึกแบบหนึ่งเขาฝึกเพื่อคนนี้ได้มาแล้วฝึกแบบหนึ่งเวลาที่ฝึกเวลานี้ฝึกเฉพาะคนที่ได้มาในใช่ก่อนเนี่ยงั้นคนที่นั่งตาแป๋วเหวี่ยงนี ได้แล้วแตก่อนันนได้แล้วหน่าจะดใจเนี่ยเราเบ่งได้ถ้เราไปองเนียนี่จะเบ่งให้มะเงแล้วนะไม่ได้ครับสู้อย่งไม่มาใช่ใช่ใช่ใช่เออหลาท้าาวนี้เ็อาจบแค่เบ่งกนได้แล้วนะ ที่ตรนั้นเทคเตอร์เคยเข้าไปทีดอย่างแห่งฟรีไปไม่ได้พอเข้าไปถึงมันเครื่องติดรอหมุนแต่เสรายพานไม่เดินแล้วบอกให้สร้างตรงนั้นใจ่แล้วก็ให้สร้างเท่ากับมันตกที่ข้างที่รับแขกนะไม่ให้เหมือนแบบนั้นเอาแบบนั้นสร้างแค่หน้าต่างซีซอกแต่ว่าท้องคำไม่จํากัดเออเฉ่งก็เลยคิดมันไม่ได้ว่าออดี้เขาถวายต้องทํามาตลอดองค์พระถม เี่ยเขาถวายมาแล้วเก็บๆไว้มันยังนึกไม่ออกว่ายู่ทอะไรเนาะทำอะไรจ้ะหรือถ้าหากว่าใครจะถวายหมาร่วมตไการลอชิ้ก็เขายอมไดได้ได้รับเรื่อยๆจะเป็นองแร่ของโลกเลยนะใช่ใช่ใช่เออไม่ใชใครเขาพูดถึงกันนะแต่าจะพูดถึงการายก็งอย่างเกงๆก็รุ่นในพุทธีบังกร ว่า ส, าสมเด็จพบรมกรนี่พระพุทธเจ้าระ บ, บาดนาพุทธพรมเป็นครั้งแรกแต่แต่อง์วัาถ ม, มันไกลกว่านั้นเยอะพระพุทธเจ้าเนี่มีหลายแสนองคนะไม่ใช่มีองค์เดียวองค์วัดถมนี่ลําบากมากถามท่านเป็นเป็นบารมีมาเท่าไหร่เขาว่าเป็นบารมีสิบหกกับท่บอกสั้นสามสิบกับกว่าเพราะไม่มีตัวอย่างพอถานท่านบอกว่าทําไมจึงคิดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าบอกไม่รู้ว่ามันมีชาติหนึ่งที่บางคนเกิดมาแล้วมันมีทุกข์ทำยังไงยังหมดทุกข์ก็เขาเลยถ้าไปมันก็ทำผิดั้งถูกบ้างถูกว่างผิดบ้างเห็นไหมใหม่ต่อไปก็เข้าเขตโทษ